m mm -hmm. นะของการบําเพ็ญกรรมฐานนะประจําปีของวัดภูเขาทองพวกเราก็มาร่วมกันทํากรรมฐานซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมที่จริงการปฏิบัติธรรมทําได้หลายอย่างนะการให้ทานการรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะแต่เดี๋ยวนี้นะ เราก็เวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมแล้วก็นึกถึงการทำสมาธิภาวนาการทำกรรมฐานการทำกรรมฐานเนี่ยนอกจากเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการทำบุญได้ด้วยนะเวลาพูดถึงการทำบุญหลายคนก็นึกถึงการใส่บาตรการถวายสังฆทานการทอดพระป่าทอดกระถิ่น จนระทังเราเรียกว่าทำบุญให้ทานนี่ติดกันเลยนะทำบุญให้ทานแต่ที่จริงแล้วนี่นอกจากการให้ทานแล้วการรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนา ห, หรือทำกรรมฐานก็เป็นการทำบุญเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าการทำบุญ ด้วยกรรมฐานเนี่ยนะประเสริฐกว่าได้บุญมากกว่าใครที่เป็นนักลาบุญนะได้ฟังนี้คงจาสนใจนะว่าการทำกรรมฐานนี้มันได้บุญมากกว่าอันนี้ชาวพุทธเราอาจจะไม่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เท่าไหร่หรือไม่เคยได้ยิน พอเราคิดแต่ว่าถ้าจะทำบุญแล้วก็ต้องไปให้ทานหรือไปถวายทานที่วัดใส่บาตรบ้างละนะถวายสังฆทานเพราะงั้นก็ได้บุญอยู่นะแต่ว่าน้อยกว่าการทำกรรมฐานทำไมการทากรรมฐานเนี่ยถึงได้บุญมากกว่าก็เพราะมันยากกว่าตอบไม่ง่ายมันยากกว่า เห็นได้ง่ายๆนะคนไทยเนี่ยเวลาพูดถึงการทําบุญก็เรียกว่าไม่ค่อยปฏิเสธนะแห่กันไปทําบุญแห่กันไปถวายทานที่ตั้นที่นี่แต่พอจะชวนให้มาภาวนาชวนให้มาทํากรรมฐานเหลือกันไม่กี่คนนะถ้าชวนคนไปทอดพระปานี้โอ้มากันเป็นร้อยเป็นพันบางแห่เป็นหมื่นนะ แต่พอชัวร์มาเข้ากรรมาฐานนะก็เหลือแค่นี้นะอาตมาเคยไปจำพรรษาที่ประเทศอังกฤษนะอยู่วัดอมารบ ด, ดีของหลวงพ่อสุมเมโธเมื่อ24ปีก่อนวันสองวันอาทิตย์นี่จะมีคนไทยเนี่ยมาถวายจังหันถวายเพลย์เยอะมากวันธรรมดานี่อาหารมีน้อยนะเพราะว่าคนไทยต้องทำงาน แต่บซอที่นี่ก็อ่มั่นใจได้เลยนะว่าอาหารที่จะได้ฉันในตอนเพทนี้จะเป็นอาหารดีอาหารประณีตแล้วก็เยอะนะเพราะว่าคนไทยจะเดินทางกันมาจากหลายเมืองที่วัอาอมารรดีเนี่ยพอฉันเสร็จเนี่ยประมาณตอนบ่ายบ่ายโมงก็จะมีการแสดงธรรม ถึงเวลาแสดงธรรมคนไทยก็ไม่ค่อยอยู่นะกลับกันหมดนะมีแต่ฝรั่งนะมาฟังธรรมถึงเวลาจะภาวนาก็ไม่ค่อยมากันหลวงพ่อสุนมมัยโตท่านเคยปารบว่าเในใี่ยเวลาท่านจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยซึ่งปีงนี้มีสักครั้งสองครั้งเนี่ยประมาณห้าวันเจ็ดวันท่านอยากมากนะให้คนไทยเนี่ยมาเข้า คอสหรือว่ามาภาวานาแต่ว่ามีคนไทยน้อยมากแค่คนสองคนบางปีก็ไม่มีเลยแล้วก็หลายปีโดยแท่ไม่มีคนไทยมีแต่ฝรั่งนะฝรั่งเน่โอ้ยก็ตือรือร้อนนะมาปฏิบัติธรรมมาภาวานากันเยอะแยะสมวพ่อสุเมธ ท, ท่านอยากจะให้คนไทยมาภาวานาเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าวัดอมรอมดีเนี่ยนะอยู่ได้ก็เพราะมีคนไทยเนี่ยนะเป็นกําลังสําคัญ ท่านก็อยากจะตอบแทนคนไทยนะด้วยการสอนสมาธิภาวนาให้แต่ก็ไม่ค่อยมีคนไทยนะามามารับประโยชน์ตรงนี้นะอันนี้ผู้มาพืชที่บอกว่าการภาวนาเนี่ยหรือการทำกรรมฐานเป็นเรื่องยากกว่าการทำบุญให้ทานเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงว่าทำไมการทำกรรมานการทากรรมฐานเนี่ยจึงได้บุญมากกว่านะการให้ทาน การทำกรรมฐานต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะยากลำบากอะไรนะหลายแห่งก็ภาวนาในห้องแอร์นะที่นี่ถึงแม้ไม่มีเครื่องปรับอากาศนะแต่ว่าก็มีความสะดวกสบายพอสมควรไม่ได้เดินตากแดดมันสบายกว่าการไปทำไร่ทำนา ไม่ต้องใช้ออกเงือกะไม่ต้องใช้แรงข้าวปลาอาหารก็ไม่ต้องทำมีคนมาทำให้ว่าไปแล้วเนี่ยนะการภาวนาหรือการทำกรรมฐานนี่มันไม่น่านเป็นเรื่องยากนะไอการอยู่บ้านต้องทามากินนี่มันลำบากกว่าเยอะแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเลือกนะที่จะอยู่บ้านนะ ทำมาหากินด้วยความเหนื่อยยากแต่จะให้มาพาวนามาทำกรรมฐานนี่ไม่เอาเพราะฉะนั้นจะรู้ว่ามันลําบากก็คงไม่ใช่นะแต่ว่ามันต้องอาศัยความอดทนอดทนต่อกิเลสนะที่อยากไปสนุกอดทนต่อกิเลสที่อยากจะคิดฝันฟุ้งปรุงแต่งคนเราบางทีนะ สิ่งที่ยากคือการอยู่คนเดียวสิ่งที่ยากคือการที่เราไม่พูดไม่คุยกับใครคนเราบอกว่าชอบบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่พอเวลาอยู่กับตัวเองก็อยู่ไม่ได้มันจะสับกระสายทุรนทุรายรักตัวเองถ้ารักตัวเองจริงก็ต้องอยากอยู่กับตัวเอง เหมือนกับเราลักลูกเราก็อยู่กับอยากอยู่กับลูกเราลักหลานเราก็อยากอยู่กับหลานนะเราลักแฟนเราก็อยากอยู่กับแฟนแต่ทาไมถึงเวลาอยู่กับตัวเองถึงอยู่ไม่ค่อยได้อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้รักตัวเองจริงนะเนีย่ยการทำกรรมฐานยากตรงนี้นะเพราะว่ามันต้องอดทนกับความ ความอยากในจิตใจที่อยากจะหนีตัวเองคนเรานี่ไม่ค่อยได้รักตัวเองหรอกอยากจะหนีจากตัวเองมากกว่าอยากจะออกไปหาเพื่อนอยากจะออกไปหาแฟนอยากจะออกไปหาไปเที่ยวโนูน่นเที่ยวนี่ถ้าเป็นวัยรุ่นก็อยากออกไปเที่ยวห้างต่ทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่กับตัวเองทั้งที่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะในเรื่องของ ความสะดกสบายก็ก็ยังมีแต่กิเลสเนี่ยมันชอบจากจะหาทางหนีจากตัวเองอางการภาวนาหรือทาการ ม, าามัติมันยากตรงนี้นะแต่ถ้าเราทำได้เนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยขัดกิเลสทำให้เรามีความอดทนทำให้เรามีความเพียรการให้ทานนะ มันทำได้ง่ายกว่าการภาวนาการทำกรรมฐานมันต้องขัดเกลกิเลตต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าจึงได้บุญกว่าพุทธเจ้าเคยตรัสว่าแม้ถวายทานด้วยอาหารสามร้อยหม้อก็ยังได้บุญ น้อยกว่าการเจริญเมตตาจิตเพียงชั่วรีดนมโคนะรีดนมโคนี่มันก็ปเดี๋ยวเดียวนะคงไม่เกินสิบนาทีตรงข้างกับการทำอาหารสามร้อยมอนี่ต้องเตรียมตัวเป็นอาทิตย์ใช้เวลาหลายวันแต่ว่าได้บุญน้อยกว่านะ การเจริญเมตตาจิตเพราะว่าการที่เจริญเมตตาจิตเนี่ยมันจะทำได้จริงๆเนี่ยนะก็ต้องอดกลั้นต่อความโกรธคนเราพอมีความโกรธแล้วมันก็ไม่อยากจะให้อาภัยหรือเมตตาใครแต่เมื่อก็ตามที่เราโกรธแล้วเรา พยายามที่จะแผ่เมตตาให้เขาอย่างที่เราแผ่เมตตาเมื่อสักครู่ใจเราจะสงบเย็นใจที่สงบเย็นนั่นแหละคือบุญพูดถึงบุญแล้วในคนไทยนี่เราก็ชอบทําบุญกันเยอะเราอยากได้บุญไปทําอะไรมีที่ไหนที่ทําบุญโอ้เราก็ไปกันอยากได้บุญอยากสะสมบุญเอาบุญไปทําอะไร แต่คนอยากได้บุญเพราะว่าบุญจะทำให้เกิดโชคเกิดลาภเกิดความมั่งมีมีสุขภาพดีหายเจ็บหายป่วยมีบางสำนักก็สรุปง่ายๆว่านะทำบุญแล้วนี่ช่วยทำให้รอดตายหายป่วย ร่ำรวยมีชื่อเสียงนะคนก็อยากจะร่ำรวยที่ป่วยก็อยากจะหายป่วยที่ไม่ป่วยแล้วก็พอพอมีพอกินก็ยังอยากมีชื่อเสียงนะก็เลยขนขวายนะไปทำบุญกัน แต่ที่จริงเนี่ยนะบุญเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่า น, นั้นนะบุญเนี่ยประโยชน์ของบุญที่เหนือกว่าการมีโชคมีลาบนะมีชื่อมีเสียงมียศถาบรรดาศักด์ก็คือการช่วยชำระจิตใจให้สะอาด ทำให้จิตใจร่มเย็นเป็นสุขนะอันนี้มันเป็นอา น, นิสงส์ที่ประเสริฐกว่าร่ำรวยมีชื่อเสียงมีหน้ามีตายศถาบรรดาศักดิ์แต่ว่านอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับทุกคืนอันนี้มีเยอะนะ ร่ำรวยแต่เครียดต้องกินยาระงับความเครียดนะอันนี้ก็มีหลายรวยไปทำไมนะถ้ารวยแล้วนอนไม่หลับนะบางคนนี่ขี้ไม่ออกด้วยนะท้องผู่เพราะเครียดมากนะกินอาหารท้องเตะเป็นหมื่นนะแต่ขี้ไม่ออกนี่มันมีประโยชน์อะไรนะ คือกินอาหารนะไม่กี่บาทแต่ว่ากินง่ายถ่ายคล่องเตียงไม่ต้องแพงห้องนอนไม่ต้องรู้ถึงเวลานอนก็นอนหลับง่ายแต่เดี๋ยวนี้คนรวยจานวนมากนี่นอนยากนอนไม่หลับต้องกินยาบางคนก็ต้องไปหาหมอไปหาจิตแพทย์ แต่ถ้าเราได้รู้จักได้สัมผัสกับบุญที่ช่วยชำระจิตใจให้หายเครียดหายหมลหมองนะเราจะมีความสุขมากกวา่าเป็นความสุขที่แม้แต่คนรวยก็อิจฉา <c oughs> บุญก็มีหลายแบบนะนะบุญที่ทำให้ร่ำรวยนะมียศถาบรรดาศักด นะอันนั้นใครๆก็อยากได้แต่บุญที่ทำให้ใจสงบเย็นเป็นสุขอันนี้มันประเสริฐกว่าแต่ว่าชาวพุทธเราไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่บุญชนิดนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เรา พยายามลดละความเห็นแก่ตัวพยายามขูดเกากิเลสออกไปจากใจซึ่งก็ทำได้หลายวิธีนะการให้ทานเนี่ยถ้าเราวางจิตวางใจเป็นนะมันก็ช่วยลดความเห็นแก่ตัว ช่วยขัดกลาวกิเลสนะช่วยขูดกลาวกิเลสนะออกไปจากใจส่วนใหญ่ให้ทานเนี่ยก็เพราะอยากรวยนะอยากถูกหัวยอยากถูกลอตเตอรี่พอตั้งจิตแบบนี้เนี่ยความโลภมันก็เพิ่มขึ้นความเห็นงาตัวมันก็ทองหนาขึ้น แต่ถ้าเราให้ทานเราตั้งใจว่าให้เพื่อที่จะลดความตนันหนีลดความโลภลดความยึดติดถือมั่นในทรัพย์สินของอันนี้แหละจะทำให้เราได้บุญที่ใจทำแล้วนี่จะรวยหรือไม่นี่มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าที่เกิดขึ้นแน่ๆทันทีทันใดก็คือว่า จิตใจโปร่งเบาใจิตใจสงบเย็นเพราะว่าได้ลดความเห็นแก่ตัวได้ไถ่ถอนความยึดมันออกไปจากใจอันนี้เป็นการทำบุญตรงกับวัตถุประสงค์ที่พูะุทธเจ้าสอนนะผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยการให้ทานเนี่ยจุดหมายคือเพราะความตนหน ถ้าเราให้ทานเน่ด้วยความปรารถนาที่จะให้เพื่อจะลดความเหงบตัวนะบุญเกิดขึ้นที่ใจทันทีส่วนจะถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรวยเบอร์หรือไม่นะ่ะอันนั้นไม่สำคัญแล้วนะถึงไม่มีก็ไม่มีควาว่าขาดทุนเพราะว่า ผลอนิสงเกิดขึ้นที่ใจแล้วคือใจสงบเย็นรักษาศีก็เหมือนกันนะเวลารักษาศีนี่ถ้าเรารักษาศีนดีๆเนี่ยมันก็ช่วยลดความโลกความโกรธความหลงได้ไม่ใช่สมาทานศีนเพื่อให้คนชมเพื่อให้คนยกย่องว่าเราเป็นคนมีศีนหรือเพื่อยกตนข่มท่าน แต่ตั้งใจที่จะนะขัดเกลจิตใจตนเองลดละความโลภความโกรธความหลงคนเราถ้ามันมีความโกรธแล้วเนี่ยมันก็อยากจะทำร้ายนะอยากจะทำร้ายหรืออยากจะฆ่าความโลภก็ทำให้อยากฆ่าเหมือนกันฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถ้ามีราคามันก็อยากผิดสีนข้อสามหรือไม่ก็อยากจะขโมยข้าของของเขาเมื่อเรารักษาสินดีๆเนี่ยมันก็ช่วยควบคุมช่วยลดทอนความโลภความโกรธรวมทังความหลงด้วยศีนข้อที่ห้าเนี่ยมันเป็นการช่วยลดความหลงหรือว่าไม่เพิ่มความหลง ในใจของเราถ้าเรารักษาศีลห้าอย่างถูกต้องนะบุญเกิดขึ้นที่ใจทันทีคือใจที่เย็นใจที่เบาสงบนะเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงมันไม่สามารถจะครอบครองจิตใจเราได้ถึงจะครอบครองมันก็ไม่สามารถบังคับให้เราพูดหรือทํา ความชั่วได้มีความโกรธนะอยากจะทำร้ายแต่ก็หักข้ามใจได้เพราะว่ากลัวผิดศีลอย่างนี้ได้บุญแล้วนะมีความอยากแต่ก็ไม่ขโมยของเขาหักข้ามใจได้อย่างนี้ก็เรียกว่าได้บุญล้ อ้ถ้าเกิดว่าเรารักษาศีลดีเนี่ยมันจะเกิดบุญกุศลมากมายตามมาศีนห้าเนี่ยคนมักเข้าใจว่าหมายถึงการไม่ทําชั่วจริงแล้วเนี่ยศีน5้าถ้าเข้าใจครบถ้วนนะมันจะรวมถึงการทําดีด้วยศีนข้อที่หนึ่งเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าไม่ฆ่าสัตว์เท่านั้นนะแต่รวมถึงการมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งข้อที่สองเนี่ยนอกจากไม่ได้หมายความว่าไม่ขโมยเท่านั้นนะแต่รวมไปถึงการมีสัมมาอาชีวะมีอาชีพที่ถูกต้องสิ่งข้อที่สามไม่ใช่หมายถึงการที่ไม่ไปผิดประเวณีเป็นชู้กับใครเท่านั้นนะ แต่รวมถึงความรู้จักพอใจในคู่ครองมีความยืนยินในคู่ครองของตัวมีสันโดษนั่นเองนะหรือว่ามีการมาสังวร <Yeah. S 1> สิ่งข้อที่สีเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่พูดปดไม่ดา่าไม่ใช้คำหยาบคายเท่านั้นนะแต่รวมถึงการที่พูดความจริงแล้วก็รักความสัตย์นะ สี่ข้อที่ห้านอกจากจะไม่ได้นอกจากจะหมายความว่าไม่แสบสุรายามมาแล้วก็ยังหมายถึงการมีสติสัมปชัญญะด้วยอย่างนี้เราสอนสี่ทาเราสอนแค่ครึ่งเดียวก็คือว่าสอนว่าอย่าทําชั่วครึ่งแรกเนะี่ยไอ้ครึ่งหลังเนี่ยไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่บางทีก็ไปบอกว่าอันนั้นนะี่ยเป็นเรื่องเบญจธรรมไม่ใช่เบญจศีลนะจริงๆมันเป็น มันก็อยู่ในศีลห้านั่นแหละที่ถ้ารัาษาสศีลดีเนี่ยนะบุญก็เกิดขึ้นที่ใจใจสงบใจเย็นใจสบายแล้วเมื่อเราทำกรรมฐานก็เหมือนกันกนะเราทำกรรมฐานเราทำเนี่ยเพื่อที่จะละนะไม่ใช่เพื่อที่จะเอานะหลายคนมาทำบุญหลายคนมา ภาวนามาทำกรรมฐานเพราะอยากได้บุญและบุญที่เขาคิดก็คือจะได้มีโชคมีลาบนะจะได้มีความสำเร็จในหน้าที่การงานบางคนก็หวังว่าจะได้ประสบสมหวังในความรักนะก็ามาภาวนาแต่จริงภาวนาหรือกรรมฐานเนี่ยจุดหมายสำคัญคือการฝึกรดละนะ ลดความเห็นแก่ตัวลดความยึดติดถือมั่นไม่ปล่อยให้กิเลสคลองใจมีความโกรธความโลภความหลงความเศร้าอิจฉาพยาบาทก็รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่เก็บไม่ยึดเอาไว้ เพื่อทำร้ายจิตใจตัวเองมันแปลงนะความโศความเศร้าความเครียดความศูญความพยาบาท พ, พวกนี้มันเกิดขึ้นกับใครเนี่ยเกิดขึ้นกับเราทีไรเราก็ทุกข์แต่ทำไมเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเรากลับยึดนะยึดเอาไว้เก็บไว้ในใจ เวลานาำทิ่มขาเราเราพยายามที่จะดึงนาำออกเวลาแก้วตำขาเราก็พยายามดึงเอาพยายามดึงนะเอาแก้วออกเวลามือเราถูกไฟเรารีบชักมือออกไม่ต้องสั่งมันทำของมันเอง เวลาเราแบกของหนักแบกหินเนี่ยเราอยากจะวางอย่างให้คนไปแบกทํามาเนี่ยนะะแบกได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากจะวางแล้วแต่ทําไมความทุกข์ความโศกความเศร้าความเครียดความสูญถึงอยากจะแบกมันเอาไว้บางคนแบกมาเป็นสิบปีแล้วมันดีตรงไหนนี่ยนี่เป็นความยึดติดแบบหนึ่งนะ เราไม่ได้ยึดติดลูกไม่ได้ยึดติดหลานไม่ได้ไม่ได้ยึดติดแค่ทรัพสมบัติไม่ได้ยึดติดบ้านที่ดินเท่านั้นนะไอสิ่งที่มันแย่ๆขยะอารมณ์เราก็ยังแบกก็ยังยึดมันเอาไว้ถามว่าแบกแล้วมีความสุขไหมเปล่าทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับบางนุนบางคนทนไม่ไหวนะต้องฆ่าตัวตาย คนไม่ไหวค่าตัวตา ย, ยนี่เพราะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางแล้วที่ไม่ปล่อยไม่วางเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวเพราะความหลงนี่เราภาวนานเนี่ยเพื่อให้เกิดความรู้ตัวสตินี่แหละที่ทำให้เรากลับมารู้ตัวได้ไวและพอรู้ว่ามันยึด ติดแบกอารมณ์แบกความเศร้าแบกความกลัวความเครียดความสูญพอรู้ทั้งแหละมันวางเลยวางเนี่ยมันง่ายถ้ารู้ตัวแต่ที่มันยากเพราะว่าไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้ตัวคือหลงนั่นแหละเรามาพอวนาเนี่ยเพื่อให้เกิดความรู้ตัวชับไว แล้วเมื่อเรารู้ตัวเราเห็นโทษของมันเราก็ปล่อยแล้วก็วาง <c oughs> ใจก็เบาโ <c oughs> ปร่งโล่งสบายนี่แหละคือบุญนะบุญแบบนี้ประเสริยกว่านะร่ารวยถูกหวยนะหรือว่ามีโชคมีลาบมีบ้านมีรถซอีกนะบุญอย่างนี้แหละที่เราต้องสร้างนะ ใครให้ใครจะส่งมาให้เรามันก็ไม่ได้นะถึงแม้มีถึงแม้มีพ่อมีแม่มีลูกอยากจะส่งบุญมาให้เราเดี๋ยวนี้ก็มีคนนิยมนะส่งบุญมาให้ส่งบุญมาให้ทางไลน์บ้างละส่งบุญมาให้ทางเฟซบุ๊กบ้างละส่งบุญมาให้ทางโทรศัพท์บ้างละ ไปทอดผ้าป่าไปทอดกรินก็โทรศัพ์บอกแม่ว่าหนูส่งบุญมาให้แม่นะโทรศั์มาถึงพ่อว่าหนูส่งบุญมาให้พ่อนะอันนี้ก็ดีอยู่นะส่งบุญแต่ว่าบุญที่ได้จากใครเนี่ยมันก็ไม่ประเสริฐเท่ากับบุญที่เราสร้างด้วยตัวเราเองด้วยน้ำพักน้าแรงด้วยความเพียรพยายามของเรานะนั่นก็คือด้วยการทำกรรมฐาน จเจริญภาวานาฝึกสติอยู่เสมอและการทําบุญอย่างนี้แหละนะที่จะไม่เพียงทําให้เราสงบเย็นเป็นครั้งเป็นคราวแต่ยังช่วยทําให้เราพ้นทุกข์ได้ด้วยนะทําให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงถ้าเราภาวานาเนี่ยไม่เพียงแค่มีสติมีความรู้ตัวแต่ว่าเกิดปัญญา เห็นความจริงของกายและใจว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมันถือมันได้เลยอะไรกายกับใจนี้เนี่ยจะยึดมันให้เป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่ได้ยึดมันมาเป็นเราเป็นของเราก็ไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกว่านะอย่าไปเป็นอะไรกับอะไรนไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ย ก็เกิดจากการที่มีปัญญาเห็นว่ากายและใจหรืออาการของกายอาการของใจไม่มีอะไรสักอย่างที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยพอเห็นความจริงแบบนี้เนี่ยก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรนะนะหลวงพ่อมเฉินท่านพูดในตอนท้า ย, ายนะของชีวิตท่านท่านก็จะย้ำนะว่า อย่าไปเป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไ ร, ไม เ, ะไ ร, ะไรเมื่อไม่เป็นอะไรกับอะไรนะใจก็ผ่องใสเบิกบานเพราะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์อีกแล้วนะมันเป็นความสุขอย่างแท้จริงที่ประเสริฐกว่านะความร่ำรวยประเสริฐกว่าการมีอายุยืน ระเสริ่กว่าการมียศถาบรรดาศักดิ์เนี่อันนี้คือประโยชน์ของการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ประโยชน์สูงสุด ข, ของการมาเกิดเป็นเป็นมนุษย์พระเจ้าแต่ว่าประโยชน์เนี่ยมีอยู่สามอย่างอย่างแรกนี่คือประโยชน์ที่จับต้องได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นความปรารถนาของชาวโลกเช่นการมีอายุวันนะสุขขปละ มีดีมีครอบครัวดีมีงานดีมีสุขภาพดีใครๆก็อยากมีใครๆก็อยากได้อันนี้เราเป็นความสุขแบบชาวโลกหลายคนมาทำบุญเขาก็าอยากได้ความสุขแบบนี้มีอายุวันนาสุขาขาภละครอบครัวดีงานดีเพื่อนดีสุขภาพดีแต่ว่ามันมีดีกว่านั้นนะ ก็คือความสุขทางใจที่เกิดจากการทำความดี mm hmm. เกิดจากการมีอริยทรัพย์อย่างที่เราพึ่งสวนเมื่อกี้เนี่ย mm hmm. มีศรัทธา mm hmm. นะมีศีลมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์แล้วก็มีความเห็นธรรมหรือว่า mm hmm. เกิดจากการที่มีศรัทธามีศีลมีจา้ะมีปัญญา อันนี้เป็นความสุขใจนะประเสริฐกว่าความสุขแบบโลกๆอย่างที่พูดมาสักคู่ได้มีประโยชน์สูงสุดกว่านั้นนะที่เรกปรมัตดประโยชน์ข้อแรกเราเรียกว่าทิฏฐาธรรมิกะถะนะชื่อยาฟังยา่าประโยชน์อันที่สองเราเรียกว่าสามประยิกะทะความสุขความสงบใจที่เกิดจากการทําความดีอันที่สามเนี่ย คือประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือความพ้นทุกข์หรือนิพพานให้เรารู้จักประโยชน์หรือเข้าถึงประโยชน์นี้ให้ได้ด้วยถึงได้ด้วยการทำภาวนาบำเพ็ญกรรมฐานไม่ใช่แค่ทำในรูปแบบไม่ใช่แค่มาภาวนาปีละครั้งนะแต่ว่าต้องทำ ตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนทำความสึกตัวมีสติในทุกอิริยาบถแล้วก็หมั่นดูกายดูใจดูกายดูใจดูไปดูไปมันก็จะเห็นความจริงของกายและใจเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมันถือมันได้เดือดสักอย่างยึดว่ายึดมาเป็นอะไร ยึดให้เป็นอะไรกับอะไรก็ไม่ได้นะี่จะต้องปล่อยวางอย่างเดียวอันนี้แหละก็คือความจริงที่เราต้องเห็นจากการภาวนาจากการปฏิบัติจากการทำกรรมฐานอยู่บ้านก็ทำได้อยู่ในไร่ในานาก็ทำได้นะทำงานไป ก็อย่าลืมดูอย่าลืมดูใจเห็นใจมันขึ้นมันลงแล้วก็รู้จักมันสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวว่ามันก็มีขึ้นมีลงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่แค่อาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกไม่ใช่แค่กลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนหรือกลางคืนเปลี่ยนเป็นกลางวันไม่ใช่แค่นะ มีร้อนแล้วก็มีหนาวแต่ความจริงธรรมะมันแสดงตัวให้เราตลอดเวลาหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ไม่ได้หายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายลืมตาและเปิดตาค้างอย่างนั้นไม่ยอมกับพิตาทำได้ไหม ลืมตาห้านาทีแม่กระพริบตาเลยเนี่ยทําได้ไหมบางคนก็ตั้งพยายามทํำนะแต่ถ้าทําเมื่อไหร่ก็จะปวดตาจนน้ําตาไหลลืมตาแล้วก็ต้องหลับตากระพริบตามาแล้วก็ต้องไปเจอแล้วก็ต้องจากนมีก็ต้องหมดพกก็ต้องพลาด น, นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอันนี้แหละคือธรรมะที่เขาแสดงให้เราเห็นถ้ามองเห็นก็ได้บุญนะบุญแบบนี้ไม่ทําให้เกิดโชคเกิดลาภแต่ทําให้พ้นทุกข์หรือว่ากายจากความทุกข์ทำให้ใจสงบเย็นลองรู้จักบุญแบบนี้บ้างนะอย่านึกหรืออย่าคิดแต่จะเอาบุญที่ทําให้รวยทําให้เออ่มีอายุยืน ทำให้มีวันหน้าผ่องใสอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าไอ้บุญที่ทำให้ไม่ทุกข์บุญที่ทำให้ใจไม่รุ่มร้อนทำให้ใจสงบทำให้ใจเย็นใจสบายนะไม่ทุกข์เนี่ยอันนี้นะสำคัญกว่าอย่ามองข้ามแล้วก็พยายามปฏิบัติให้ได้อาแล้วคำนี้ก็พกูดเท่นี้น ะ, ะกลับพระพร้อมกัน